สัตว์ทั้งหลายเกิดมาทลายตายเกลี้ยงไม่มีเหลือปล่อยกอตายไม่ปล่อยกอตายช่วยกอตายไม่ช่วยกอตายฮะเรามองเห็นประโยชน์ตรงไหน สิ่งที่เหนือตายมีอยู่พติเจ้าท่านวางไว้ให้พวกเราพยายามดิ้นไปไปหานั้นแหละก็ <c oughs> ไม่ปฏิเสธอย่างอื่นก็ตล่อมเข้าไปทานก็ตล่อมเข้าไปทานวัตถุสิ่งของทานชีวิตที่อภัยทานเนี่ยทานชีวิต กาชีวิตอภัยทานครับ อ, อภัยทานหมายความว่าไม่เอาโทษไม่ถือโทษนายก็แสดงกิริยาไม่ดีกับนายขอขอโทษขอโทษเออให้อภัยให้อภัยนี่ขอโท ษ, โทษให้อภัยให้อภั ย, ภ ย, ภยถือว่าไม่มีโทษไม่มีโทษแต่การที่เราไปปล่อยสัตว์สัตเล็กสัตว์ใหญ่ เราก็มีจิตใจปลดปล่อยเองอาศัยคุณธรรมคือความเมตตาความกรุณาสัตว์ทั้งหลายเนอะจะตายเช้า ว, วันนี้เลยเนอะจะตายเช้า ว, วันนี้เลยเนอะเออช่วยถ่ายชีวิตไว้ให้ยืดยาวไปอีกได้สิบปียี่สิบปีนั่น ในระหว่างที่เขาอยู่10ปี20ปีเขาก็ทำประโยชน์ได้มากมายมหาศาลในเยอะแยะถ้าพูดถึงมนุษย์เราเนี่ยมีชีวิตยอยู่ยาวไปเท่าไหร่ก็ได้ประโยชน์มากไปเท่านั้นแต่สัตว์ทั้งหลายนั่นแหละเขาอยู่ก็เท่าเดิมเขาไปก็เท่าเดิมเพราะเป็นภพชาติที่เขาใช้กรรมมันเป็นภพเป็นชาติที่เขาใช้กรรม ไม่ใช่วางวันคืนล่วงไปล่วงไปล่วงไ ป, ลงไปแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลเหมือนเราไม่ใช่เขาอยู่แบบมีสัญชาตญาณมีความรู้สักแต่ว่าสัญชาตญาณเราไปดูสัตว์บางบางอย่างเนี่ยเราไปตีหัวมันมันก็ทำตาปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิเหมือนเลย <laughs> บางทีไม่มีกลัวเลยซ้าไปนะพอเราฟันคอมก็ขาดดิ่นเล็กๆล็เล็กมันดิ่งวะเขามันดิ่งตาม ความมีอยู่ของชีวิตเหมือนเวลามันจะขาดก็ดิ้นดิ่นดินดิ่ น, น, นมันไม่มีสัญชาตญาณแม้แต่คําว่ากลัวอย่างเงี้ยเยเราดูเถอะไม่รู้จักภัยแต่สัตว์ทั้งหลายนั้นไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์รู้จักภัยหลีกเลี่ยงไัยแต่ไอความรู้สึกกลัวมีน้อยมากสัตว์บางอย่างมันได้ยินแต่เสียงมันก็โดดเรงเร่งเร่เรสัตว์บางอย่างอืทําเสียงกันแล้วเห็นกันแล้วอะไรกันแล้ว เอาไม่เรียบไปใส่หัวมันก็ทำตาปิ๊บปี๊ปีปีลองไปดูที่ขงนะังคอกเนี่ยความจะโดดหนีเราย่องยงไปเนี่ย <c oughs> บางตัวมันไม่โดดด้วยซ้ําไปมันปล่อยมันปล่อยยางสู้เราเนี่นยนะเห็นไ่มไปลองดูสิเ <c oughs> นี่ยมีคังคอกตัวหนึ่งเนะ่ยมันโดดไปนอนอยู่ไอ้ตรงระเบียงห้องที่เราทำกั้นห้องอยู่น่ะไอ้รองรองรงรถไถเนี่ยมันไปโดดมันไปนอนอยู่ที่ที่เก่าของมันนั่นแหละ เราก็ไปตีฮอรปิ๊บปิ๊ปเกือ บ, บ, บ, บทุกวันอะ <laughs> เราถือเอาประโยชน์กับคนด้วยกันเราก็ให้อภัยการให้อภัยถือว่าถือว่าเป็นการระงับโทสะระงับกิเลสได้อย่างฉับไวทันด่วนมันเป็นการฉลองตัญหาได้อย่างกระทันหันทีเดียวแหละการให้อภัยซึ่งหน้าซึ่งซึ่งหน้ามีผลมากอืม ถ้าจะพูดถึงในปัจจุบันทันด่วนแท้ๆแล้วนะึกโอ๊ยมันยิ่งกว่าให้ธรรมะเป็นทานอีกมันได้ผลที่จิตของเราใดรวดเร็วปุ๊บปั๊ บ, บทันทีเนี่ยเชนอย่างกำลังแล้วกำลังจะท่าแล้วนะ่ะรู้สึกผิดชอบชั่วดีขึ้นมาเอ อ, อะยกยกเลิกไว้ให้อภัยไว้ไม่เอาเลยแน่ชนะตัวกิเลส ต, ตัวนั้นได้อย่างเด็ดขาดตอนนั้นเลยทีเดียวเลยเราให้ทําเป็นทานเราให้ทําเป็นทาน เสมออย่างพิมพ์หนังสือเป็นธรรมทานเนี่ยไม่รู้เอาไปอ่านหรือไม่อ่านก็ไม่รู้อ่านแล้วไปทําหรือไม่ทําก็ไม่รู้อ่าหรือให้ไปแล้วไปไปทำทำไม่ถึงที่มันก็ไม่เกิดทำสอนให้ไปเดินโยมไปนั่งภาวนาบางทีก็ไม่ไปทําเงี้ยก็ให้ทําเป็นทานอยู่แต่ความไม่จะได้ผลนุ่นเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นเป็นพบเป็นชาติแต่การให้อภัยยทานเดี๋ยวนี้ได้ผลสดสดร้อนรอนเดี๋ยวนี้ขณะนี้ นี่เราตีความมาตรงนี้อันนี้เป็นการให้ให้ธรรมะเป็นทานเป็นให้เป็นการให้ทานที่เยี่ยมเยี่ยมที่สุดการให้อภัยทานเนี่ยเรามาเทียบดูกับสัตว์นะจะเข้าหม้อเช้าวันนี้แล้วเออไทยเอาไปปล่อยมีชีวิตยอยู่ปีอีกหลายปีเขามีความสุขรื่นเริงหากินสะดวกสบายอิสระเสรีไปหลายวัน กว่าเขาจะถึงวันวันตายทุกดักรอเขาอยู่ข้างหน้าอีกคนเราก็ถ้าให้อาภายัยอาภัยเป็นทานเกิดกันแล้วกันมันก็หมดเวรหมดภยัยเออเเฮ้ยไปเอาหนังสือภัยศารมาไปเอ า, เอาไปเอามาไปเอามาจะแจกหนังสือภัยสารก็พูดถึงอาภัยทานให้กับเจ้ากรรนายเวรอยู่ตรงนั้นอยู่อยๆเอามา ห, หมดเลยนะเอามาทั้งหมดเลยเอาไปแจกภัยสารแสนชัย คนนี้ก็แปลกนะเวลาเขานอนสองทุ่มาก็นอนแล้นอนแล้วเขาไม่ไปนรกเขาไปสวรรค์อะไปเอาเรื่องนั้นไปบอกเอาเรื่องนั้นจากคนมามาบอกโลกมนุษย์เอาเรื่องนี้จากในนรกมาบอกมนุษย์เอาเรื่องนั้นจากสวรรค์ชันนั้นชันนั้นมาบอกมนุษย์แล้วก็คนนั้นเคยเป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมกับคนนั้นกับคนนี้คนนั้นมีโรคประจําตัวหนักหนาสาหัสมีเจ้ากรรมนายเวรผูกมัดอยู่กิ้วกิ้วไม่ปล่อย แต่ถ้าขอเข้ามากันแล้วโรคภัยไข่เจ็บนั้นก็จะหายเขาพูดเขาพูดก็ถูกอยู่เพราะการผูกอาคาตพยาบาทมันเป็นการผูกที่ใจในเมื่อใจมันไม่ปล่อยมันก็มัดอยู่อย่างนั้นแหละเพราะเรื่องของใจมันเป็นเรื่องละเอียดกี่พบกี่ชาติกี่ขับกี่การมันก็มัดอยู่อย่างนั้นไม่ปล่อยเช่นอย่างสาบแช่งว่าตั้งแต่นี้ตั้งแต่บัดนี้ไป ขอให้คนนี้มีอันเป็นไปมีความทุกข์มีความร้อนร้อนอย่าให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่าให้มีความเจริญเงกเงยเงกงามให้แตมีแต่ความร้อนร้อนทุกยากลำบากทุกภพทุกชาติกี่กับกี่กันอย่าให้มันหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้ไปได้สาบแช่งโดนสาบแช่งคนนั้นไม่มัดแต่ใจของผู้สาบแช่งนี่มัดมัดแล้วไม่ปล่อย <c oughs> มัดนี่ไม่ปล่อยอันนี้แหละเขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวนเจ้ากรรมนายเวน จะปล่อยตอนไหนจะปล่อยต่อเมื่อเจอหน้ากันแล้วขอเข้ามาลาโทษกันเออพอรู้ว่าเขาจะยอมรับผิดอยู่บ้างเออก็ผ่อนผันผ่อนผ่นปรนให้ลดหย่อนผ่อนโทษให้หรือลดให้ทั้งหมดเลยเนี่ยเรามาเทียบดูกับที่เขามาพูดมันก็ไม่ประสิทธิเหตุผลมันเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลมันเป็นไปตามเรื่องของกรรมมันเป็นไปตามเรื่องของกรรมผูกผูกพยาบาทก็ดูที่ เทวทัตผูกพยาบาทพระพุทธ เ, เ, เจ้านะผูกข้างเดียวนะะพุทธเจ้าไม่ได้ผูกนะผูกข้างเดียวมันก็ยังตามมาเล่นงานกันทุกภพทุกชาติเหมือนกันพุทธเจ้าทาพยายามหลบอยู่นั่นแหละพยายามหลบเอาความดีเข้าสู้เอาความดีเข้าสู้ทุกภพทุกชาติอยู่นั่นแหละเทวทัตมันก็ตามรังควานอยู่นั่นแหละแต่ในที่สุดมันก็นไปไม่ได้เพราะมันทางของมารกับทางของพระนะยังไงมันก็สู้พระไม่ได้มันตีบดันทางของพยามาลมันก็มันก็ไปตีบดันอยู่แค่นั่นแหละ มันไม่ใช่ทางที่จะทะลุทะลวงไปได้แต่ทางของพระคือพระโพธิญาณอันนี้มันลุทะลุไปได้ใ น, ในสุขต้องมายอมเป็นลูกศิษย์ท่านในใ น, ในสุขต้องมาเดินตามหลังท่านมันก็แค่นี้แหละเนี่ยเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้ในทิฏฐิ60สิบกสิว่าทิฏฐิในตไตรปิฎกยารดูในพระมชาลสูตรไปลองไปอ่านดู ท่านพูดเอาไว้เนี่ยความฉลาดความปราดปลื้องของคนยุคใดสมัยใดก็ตามทำไมเข้าหลักที่พุทธเจ้าท่านสอนแล้วก็ยังอยู่ในกรงขังของทิฏฐินั่นแหละอ่าดีก็ดีอยู่ในหมู่พวกทิฏฐิด้วยกันเก็เหมือนอย่างพญามารก็ดีก็ดีอยู่ในพวกมารด้วยกันนั่นแหละไอ้พวกที่ไม่มารเนี่ยเขาไม่สนใจแหละเขาไม่ได้ติดใจอะไรแหละเอาไปแจกกันใคร อยากเป็นมนุษย์ไปดูนี่คู่มือความเป็นมนุษย์นี่ดูพุทธทาสท่านพูดพุทธทาสท่านก็มีการอธิบายธรรมะที่ละเอียดแปลกจี้ใจเพราะฉะนั้นท่านจึงดังท่านเป็นท่านเป็นบุคคลของไอ้อนานเดของอะไรยูยูเนสโกององค์กรอะไรโลกลนะั่นแะ แต่หลงตาหลงตาของเราเราทำไม่ทันคือครบร้อยปีแล้วจะทําเรื่องยื่นเสนอองค์การยนะูเนสโกเนี่ยทำไม่ทันลลงตาเราถ้าทําทันผลงานมีขนาดนี้ท่านต้องได้แต่มาคิดมาคิดตามหลังตอนมันถึงแล้วมันดําเนินการไม่ทันองค์การยูเนสโกนีแต่พุทธทาสลูกศิษย์เขาเขาเข้าใจเขารู้เรื่องเขาทําทันก็ส่งไปพุทธทาสเลยเป็นคนของอ ง, องค์กรยูเนสโกอ่าเป็นคน ที่องค์กรนี้เขาถือว่าเป็นองค์กรระดับโลกบุคคลสําคัญของโลกออาล้ท่านนี้แหละอยู่ข้าวยะทาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวเมวอิตโตทินังเปตานังอุปกะปติอจิตังปฏิตังตุมหัง ขิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยธามนิโชติระโสยธานสพิติยวิวัชันตุสพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตารโยสุขีธีขายุโกภะ อภิวาทนาสีลิตสานิจังุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวะัฒนติอายุวโนสุขังพระลังภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะจธาโสถีภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะ สทาโสถีพว w a ต, ตุเตปะวะตุสั พ, พมังคลังรักขันตุสปเทวตาสพสังฆา น, านุภาเวนะสท่าโสถีพวันตุตเตเจอไหมล่ะเออเอเอเยอะยูย่เยวเดียเดียวๆดียเขาอยากได้ก็เอาเราจะเอาไว้บ้างพระเรายังไม่ได้เด่นเพราะพระบางคนนี่ ไม่รู้จับของดีเด้อันนี้อันนี้แจกแล้วให้ใ ห, ให้มีเอาไปเหลือไว้ในในในในหอพระเราเอาไว้คนดูด้วยนะ น, นี่นหนังสือนี้มันเป็นหนังสือดีนะไปไปเอาไปแจกนันไปไปไปไปส่วนหนึ่งในครัวเอาไปไว้เอาไว้ในครัวให้ให้หมู ด, ดูด้วยไป ดูเด้อกันดูไม่หมดดอกตัวเอ็ดดูบ่หมดคือกินข่าวเด้ยนี่นี่นี่เนี่ยในครูเอาไว้เอาไว้ส่วนกลางให้หมูได้รู้ด้วย